วันนี้เป็นวันเสาร์ที่20สิบสิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เลิศที่ประเสริฐให้แก่จิตใจคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่เองนี่คือเป้าหมาย <c oughs> ของพุทธศาสนาที่มีต่อพุทธศาสนิกชนก็คือสอนวิธีให้พุทธศาสนิกชนได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้สงบให้มีความสุขวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่อง ของพระพุทธศาสนาการอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของพระสงฆ์หรือพระภิกษุที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ว่ามีกี่แบบกันพระสงฆ์หรือพระภิกษุในประเทศไทยก็มีอยู่สองแบบใหญ่ๆด้วยกัน คือพระบ้านกับพระป่าพระบ้านก็คือพระภิกษุที่อยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามวัดวารามที่ตั้งอยู่ในบ้านในเมืองส่วนพระป่านี้ก็จะเป็นพระภิกษุที่อยู่ตามวัดที่ตั้งอยู่ตามป่าตามเขาพระบ้านกับพระป่านี้ จะมีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันที่เหมือนกันก็คือมีศีล227ข้อเหมือนกันพระภิกษุทุกลูกที่มาบวชนี้จำเป็นจะต้องเคารพพระธรรมวินยัยคือศีลของพระมีอยู่227ข้อด้วยกันข้อนี้ปฏิบัติ ทุกๆรูปเหมือนกันหมดต่างการตรงที่ข้อวัดปฏิบัติที่จะไม่เหมือนกันพระบ้านนี้ท่านจะเน้นในการศึกษาพระธรรมคำสอนจากตำราจากพระไตรปิฎกศึกษาหลักธรรม นักธรรมตีนักธรรมโทรนักธรรมเอกและพระบาลีประเหนึ่งถึงปรียดนเก้า น, นี่คืองานของพระที่อยู่ในบ้านในเมืองเป็นหลักของท่านนอกจากนั้นท่านก็จะมีงานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆที่เรียกว่าบุญบางสังสว่วน บุญก็คืองานบุญบางก็คืองานบางสกุลสังก็คืองานสังฆทานสวดก็คืองานสวดในพิธีกรรมต่างๆนี่คือกิจกรรมของพระบ้านพระที่อยู่ตามบ้านตามตามเมืองต่างๆท่านจะทํากิจกรรมเหล่านี้เป็นหลักส่วนพระ ป่าหรือพระป่านี้ท่านจะทํากิจกรรมที่ต่างกันคือท่านจะปฏิบัติทำสองชนิดด้วยกันก็คือทุดงกับกรรมฐานชื่อพระป่า ต, ตามทางการท่านจะเรียกกันว่าพระทุดงกรรมฐานคือท่านจะมีการปฏิบัติข้อทุดงขวัญ และปฏิบัติกรรมฐานอันนี้ละท่านก็จะอยู่ตามป่าตามเขาันเพราะในการปฏิบัติทุดงเขาวัดปฏิบัติกรรมฐานนี้จำเป็นต้องอยู่ในที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัพพ์ของบ้านของเมืองนั่นเองเพราะถ้าอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จะเป็นนิวรณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทําใจให้สงบถ้าป่าท่านจึงมักจะไปอยู่ปีกวิเวกอยู่ตามตามป่าตามเขากันสร้างวัดป่าวัดเขากันแล้วก็ปฏิบัติทูดงกรรมาฐานทูดงนี้ก็คือข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า ส่งสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะเร่งความเพียรผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วก็สามารถรักษาทุดงขวัตข้อต่างๆได้แต่ไม่บังคับอันนี้ให้เป็นความสมัครใจของผู้ปฏิบัติถ้าอยากจะไปให้ถึง พรนิพานเร็วๆก็สามารถใช้ทุดงขวัดนี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้ความเพียรนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องก้าวหน้าและรวดเร็วได้ทุดงขวัดนี้มีทั้งหมด13ข้อโดยกันแต่วันนี้คงจะไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านฟังทั้ง13ข้อ ถ้าท่านสนใจก็สามารถค้นหาได้ในในโทรศัพท์มือถือของท่านเขียนทุดงขวัตเขาก็จะมีข้อสิบสามข้อมาให้แต่ที่จะมาพูดวันนี้ก็คือทุดงขวัตที่พระป่าพระเขาท่านปฏิบัติจันเป็นธรรมเป็นปกติเช่นข้อหนึ่งท่านจะถือการบินขบาตเป็นวัน การบินฑบาตก็คือหมายความว่าถ้าจะฉันอาหารก็ต้องไปหาอาหารมาจากการบินฑบาตจะไม่ให้ญาติโยมนำอาหารมาถวายที่กุฏิที่วัดหรือจะไม่สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาไปหาซื้ออาหารมาให้ จะรับประทานอาหารที่ได้จากการบินธบาตเท่า น, นั้นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะงดการบินธบาตหรือถ้าเล่นความเพียรด้วยการอดอาหารซึ่งสาหรับบางท่านอาจจะถูกเจริญท่านก็จะอดอาหารจะไม่ไปบินธบาต เอไปบินแล้วเอาอาหารกลับมาก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครเพราะตัวเองก็ไม่กินก็เลยจะงดการบินทบัตชั่วคราวในช่วงที่เร่งความเพียนด้วยการอดอาหารการอดอาหารนี่มันจะทำให้ไม่ต้องออกมารับรู้มาสัมผัสกับโลกภายนอกพระที่อยู่ในป่านี่เวลาท่านบินธบัตท่านก็ต้องเข้ามา ที่หมู่บ้านเพื่อมารับบินธบาศ ท, ท่านก็จะได้สัมผัสรับรูร้รูปเสียงข่นลดของของบ้านของเมืองก็อาจจะไปบรบกวนจิตใจที่จะสงบอยู่นั้นไม่ให้สงบได้ท่านก็เลยงดการบินธบาศชั่วเท้าเพื่อที่จะได้อยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวก ไปนานๆเพื่อไม่ให้มีอะไรมาลบกวนใจ น, นี่คือข้อที่วัดป่าวัดเขาท่านจะปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมคือการบินธบาตเป็นวัดข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านจะถือการฉันในบาทเป็นวัด เป็นข้อวัดคือการฉันในบาตรจะไม่ฉันอาหารตะที่ใส่มาในสำรับต่างๆใส่ในจานในชามต่างๆจะอาหารที่ท่านได้มาจากบิณฑบาตนี้ใส่เข้าไปในบาตรทั้งของหวานของข้าวของเค็มใส่รวมเข้าไปในบาตรแล้วฉันในบาตร การชั้นในบาทนี้ก็มีสามลักษณะด้วยกันคือความเข้มข้นมีสามลักษณะด้วยกันความเข้มข้นระดับหนึ่งก็คือเอาอาหารขาวหวานนี่ใส่ไปในบาทแต่แยกเป็นส่วนๆอาหารไว้ด้านหนึ่งข้าวไว้ด้านหนึ่งของหวานไว้ด้านหนึ่งอันนี้เป็นระดับที่หนึ่ง ระดับที่สองก็คือเอาอาหารขาวหวานใส่เข้าไปในบาทโดยไม่แยกกันข้าวใส่ไปตรงไหนก็ได้กลับใส่ไปตรงไหนก็ได้ของหวานผลไม้อะไรก็ใส่ไปไม่แยกนี่ก็คือระดับที่สองของความเข้มข้นระดับที่สามของความเข้มข้นก็คือเอาอาหารที่ใส่ไปในบาททั้งหมดนี้ มาคลุกกันให้เป็นเหมือนกับอาหารที่เราคลุกให้สุนัขกินนะก็คือเป็นอาหารจานเดียวทุกอย่างครบรสไปหมดทั้งขาวทั้งหวานทั้งทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวอยู่ในบาตคลุกกันเพราะท่านถือหลักของการรับประทานว่าเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดี ในท้องมันไม่มีที่แบ่งแยกให้กับอาหารเช่นข้าวอยู่มุมหนึ่งกับข้าวอยู่มุมหนึ่งของของหวานอยู่มุมหนึ่งเมื่อเข้าไปในท้องแล้วมันก็มันก็จะไปรวมกันไปทำการผสมกันเพื่อย่อยให้กลายเป็นธาตาุต่างๆการปฏิบัติข้อนี้ก็เพื่อที่จะตัด เรื่องของความติดในรสชาติในรูปสีกลิ่นของอาหารนั่นเองคือให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยาไม่สนใจถึงรสของมันว่าจะอรรถรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวอร็ดอร่อยยังไงไม่สนใจกับรูปของมันว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามเพราะว่าการรับประทานของ ของพระปฏิบัตินี้ของผู้ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของอาหารเพื่อให้ความสุขกับจิตใจแต่ต้องการที่จะตัดการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนี่เองเพราะมันเป็นกับดักของความทุกข์ ถ้าไปติดในความสุขของลูกเสียงกลิ่นรดแล้วมันก็จะติดมันก็จะคิดอยากจะกินอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดอยากจะกินมันก็เกิดความหิวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางใจถ้าจิตใจไม่มีสติพอไม่มีปัญญาพอก็อาจจะไม่สามารถรักษาศีลได้เช่นการปฏิบัตินี้ ของพระธุดงค์ท่านก็จะฉันมือเดียวแต่ถ้าไปติดในรูปเสียงตินรสของอาหารนี้หลังจากรับประทานเสร็จไปหยกหยกก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกได้ไม่ใช่เป็นความอยากทางร่างกายแต่เป็นความอยากทางจิตใจแล้วถ้าอยากมากมากก็จะทำให้เกิดความทรมานใจได้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะ รักษาศีลหรือรักษาข้อทูตลงเขาวัดได้นี่คือข้อฉันในบาทเป็นวัดฉันเพื่ อ, อยางชีพของร่างกายเหมือนกับการฉันยารับประทานยาเวลารับประทานยานี่เราไม่สนใจว่าจะสวยมีรูปร่างลักษณะสวยหรือไม่สวยน่ากินหรือไม่น่ากิน เราก็รู้ว่าเราเอาอยานี้เข้าไปเพื่อไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาชนิดหนึ่งที่ไปรักษาโรคของร่างกายคือความหิวของร่างกายเมื่อได้อ า, อาหารเข้าไปในร่างกายแนละ้วความหิวก็จะถูกทําลายไปชั่วคราวอาหารไม่จําเป็นว่าจะต้องสวยต้องงามต้อง ต้องมีรสชาติที่อร็ตอร่อย mm hmm. กินเพื่อดับความหิวของร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขของใจเพราะเป็นความสุขปลอนเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ไม่ช้าก็เร็วถ้าไปติดกับการกินอาหารก็จะมีปัญหาตามมาเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารเพราะผู้ปฏิบัตินี้ แต่รับประทานอาหารไม่มากพอประมาณต่อความต้องการของร่างกายจึงมีข้อทุดงุงขวัดข้อที่สที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนั่นก็คือการฉันมื้อเดียวฉันครั้งเดียวในแต่ละวันวันหนึ่งนี่จะฉันเพียงครั้งเดียวตามธรรมเนียมของพระ ป, ป่าก็จะฉันหลังจากที่กลับจากบินธบาต ตอนเช้า อ, อบินธบาลต์เกลับมาวัดก็มารวมกันที่ศาลาเอาอาหารที่ได้จากการบินธบาตมาแจกกันแบ่งกันตามลําดับของอาวุโสพันเตอาหารทั้งหมดนี้จะถวายให้ครูบาอาจารย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นท่านตักแล้วท่านก็จะเลื่อนส่งให้กับพระตามลําดับอาวุโส บางวัด น, นี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้ตักอาหารกันเองให้พระเนงช่วยกันตักอาหารใส่บาตรของพระแต่และรูปเพื่อการความเลือกอาหารไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาหารเช่นที่วัดป่าบรรตานี้พระจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาหารใส่บาตรของตนเองจะหลวงตาท่านจะหลังจากที่ท่านตักอาหาร แล้วท่านก็ให้เอาอาหารที่ท่านที่เหลือจากที่ท่านตากนี้เอาไปตักใส่บาตรในของพระแต่ละรูปคนละช้อนสองช้อนตามแล้วแต่มากแต่น้อยเป้าหมายก็ให้ตักให้แบ่งกันให้ทั่วถึงกันให้กินเหมือนกันอาหารทุกอย่างไม่ให้เลือกว่าจะเอาชนิดนี้ไม่เอาชนิดนั้นอาหารทั้งหมดที่วัดป่าบันตานะสมัยที่อยู่นั้นจะ ไม่มีการนั่งแล้วก็ตักอาหารเลือกใส่อาหารตามความต้องการอาหารที่หลังจากที่ได้ถวายให้กับยลวงตาแล้วพระเนก็จะรับเอาไปตักใส่บาตรของพระแต่ละลูปต่อไปอันนี้เพื่อป้องกันกิเลสความติดในอาหารชนิดต่างๆถ้าไปติดอาหารแล้วมันจะคิดถึงอาหารนั้นอยู่เรื่อย พคิดมันก็จะเกิดความหิวทางใจเกิดความทุกข์ทรมานใจเวลาที่ไม่ได้กินได้นี่คือธรรมเนียมของพระป่าเวลากลับจากบินระบาดแล้วก็จะมารวบกันที่ศาลาแล้วก็แบ่งอาหารกันพอหลังจากที่แบ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการ กล่าวคำอนุโมทนาหลังจากเสร็จการอนุโมทนาก็จะพิจารณาอาหารก่อนฉันพิจารณาอาหารที่มีอยู่ในบาตรว่าการฉันอาหารนี่เป็นการเยียวยาร่างกายไม่ได้เป็นการเสริมความสุขทางจิตใจป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นดับความหิวที่เกิดขึ้นแล้วให้มันดับไป อันนี้เป็นแนวทางของการการขบฉันฉันเมื่อเดียวขณะที่ฉันก็จะไม่มีการสนทนากันทุกคนนี้ก็จะสำรวมมีสติอยู่กับการขบการฉันและจะไม่แสดงอาการมูมามหรืออาการยินดีในการฉันอาหารถึงกับบางทีก็อาจจะมีการส่งเสียงดังออกมา เวลาขบเขี้ยวของอะไรต่างๆนี่ถ้าฉันโดยสตินี่จะพยายามฉันแบบไม่ให้มีเสียงดังถ้ามีเสียงดังนี่ก็แสดงว่าขาดสติเช่นเวลาฉันนี่ถ้าผ้าป่านี่ท่านจะไม่ใช้ช้อนนท่านจะใช้มือหยิบอาหารจากบา้านเพราะว่าช้อนนี้ ถ้าตักก็อาจจะมีเสียงกระทบกับบาทได้มีเป็นเสียงดังอย่างหนึ่งแล้วอย่างบาทสมัยก่อนนี้เป็นบาทที่เป็นบาทเหล็กและจาเป็นที่จะต้องมีการเผาบาตบ่มบาทเพื่อให้เกิดมีผิวการสนิมถ้าใช้ช้อนตักนี้บางทีก็ช้อนก็อาจจะไปกระเทาะผิวที่การสนิมได้ ครับผิวที่การสนิมถูกข้อออกถ้ า, าไปล้างแล้วต่างเดี๋ยวมันก็ขึ้นสนิมได้ก็จําเป็นที่จะต้องไปบ่มบาดใหม่อีกเพนเวลาฉันพระป่าท่านจึงไม่นิยมใช้ช้อนฉันกันใช้มือจะได้ไม่ไปทําลายบาดเรื่องของบาดนี้ท่านก็ระมัดระวังรักษาอย่างยิ่งเพราะบาดนี้มันเป็นของที่ ละเอียดอ่อนมันถ้าไปวางไว้บนของแข็งกระแทกกันมันก็จะทําให้ผิวที่เครือบบาดนี้หลุดออกมาได้กระเทาะแตกออกมาได้ดันั้นท่านยังไม่ค่อยนิยมให้คนอื่นรับบาดหรือว่าล้างบาดให้ท่านกันนอกจากคนที่เข้าใจจริงๆท่านถึงอนุญาตได้แต่สมัยนี้นั้นเนื่องจากมีการพัฒนาทาง เทคโนโลยีบาดสมัยนี้เป็นบาดสแตนเลสกันคือเป็นบาด ท, ที่ไม่ขึ้นสนิมไม่ต้องออกไปบ่มไม่ต้องไปเผาเพื่อให้เกิดมีผิวกันสนิมเวลากระทอกับพื้นกระทอกกับของแข็งอะไรมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามอ่อันนี้คือเรื่องของบาดเรื่องของการฉันในบาดเรื่องของการฉันมือเดียว ของภาคปฏิบัติการฉันเมื่อเดียวก็เพื่อลดปริมาณการรับประทานอาหารให้พอประมาณให้ไม่ให้กินอิ่มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้เสียเวลากับการรับประทานอาหารสองครั้งสองคราถ้ารับประทานอาหารสองครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องรออีกสองชั่วโมงหรือสาชั่วโมงก็มาฉันเพลอีกรอบหนึ่ง ในช่วงเวลานั้นก็จะไม่ได้มีกระจิตกระใจที่จะไปปฏิบัติเดินจยโกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าฉันมือเดียวหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วก็หลังจากล้างบาทเก็บกวาดสาราแล้วก็แยกกันกลับไปตามที่พักของตนก็จะสามารถ ปฏิบัติทำได้ต่อไปจนกระทั่งถึงบ่ายถึงเย็นเลยถึงเวลาที่จะต้องออกมาปัดกวาดลานวัดกันก็จะมีเวลาที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี่คือคุณประโยชน์ของการฉันมือเดียวของพระปฏิบัติจะช่วยทำให้การปฏิบัตินี้ต่อเนื่องไม่ต้องจอดไม่ต้องแวะถ้าฉันสองมือก็ต้อง ฉันเสร็จแล้วก็ต้องไปรออีกสามชั่วโมงก็มาฉันอีกมือหนึ่งฉันอีกมื้อหนึ่งแล้วก็เวลาฉันแต่ละมื้อมันก็ทําให้อิ่มท้องทําให้ง่วงนอนได้ทําให้ขี้เกียจอยากจะนอนมากกว่าอยากจะปฏิบัติกันดังนั้นการฉันมือเดียวนี้มันก็จะช่วยลดเรื่องของนิวรันที่เกี่ยวกับความเกลียดคา้านเกี่ยวกับความง่วงเหงาหานอนได้เวลาฉันเสร็จ เสรภารกิจกลับไปที่พักใหม่ๆนี่นจะไม่นั่งสมาธิกันเพราะนั่งแล้วมันจะสัประกบมันจะง่วงได้เพราะหนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนท่านก็จะใช้การเดินจงกรมแทนเดินจงกรมไปจนกว่าจะรู้สึกหายง่วงไม่ง่วงแล้วก็ถึงค่อยมานั่งสมาธิต่อช่วงกลางวันถ้านอนา จ, จะพักกันสักชั่วโมงหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อย ถ้าไม่เหนื่อยเหนื่อยเมื่ถ้ามีความเพียนมากก็อาจจะไม่มีการพักก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพิจารณากันเองแต่สำหรับพระปฏิบัตินี้ยหลังจากท่านเสร็จภารกิจการขบชันแล้วนีท่านก็ไม่ต้องกังวลแล้วท่านก็กลับไปที่พักไปปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาบ่าย เป็นช่วงเวลาที่จะช่วยกันปัดกวาดลานวัดไปช่วยกันกวาดลานวัดทางเดินไปช่วยทําความสะอาดสาราตักน้ำใส่ตุ่มใส่ห้องน้ําต่างๆสําหรับวัดที่ไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้กําลังของพระนี่ช่วยกันทําเมื่อทําเสร็จภารกิจก็มีน้ําปานะให้ฉันกันถ้าอยากจะฉันน้ําปานะก็ฉันได้ มีน้ำชากาแฟมีอะไรต่างๆที่พระวินัยอนุญาตให้ฉันได้ mm. ก็จะร่วมกันฉันในตอนนั้นตอนเดียวหลังจากนั้นเสร็จกันแล้วก็แยกกลับไปที่พักของตนไ ป, ไปอาบน้ำอาบท่าตามที่อาบส่วนใหญ่ก็จะไปอาบที่บ่อกันในวัดจะมบีบ่อน้ำก็จะตักน้ำจากบ่อน้ำอาบน้ำกันที่ตรงนั้น หลังจากเสร็จภารกิจอาบน้ำก็กลับที่พักปฏิบัติธรรมต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือจะอา่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มด้วยกันสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก็จะมีการพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงเื่นประมาณตีสองตีสาม แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างเพื่อที่จะออกบินธบาตก็จะไปที่ศาลาไปช่วยกันเตรียมจัดที่นั่งที่กบที่ชั้นอะไรต่างๆเตรียมบาตออกบินทบาตแล้วพอได้ตะวันพอแสงได้แสงสว่างเป็นวันใหม่ก็จะเดินออกจากวัดเดินออกจากที่พักไปสู่ที่บินธบาตคือตามหมู่บ้านาต่าง เสร็จแล้วก็กลับมาเอามาที่รวมกันที่ศาลามาฉานอาหารรวมกันบางวัดนี้ในช่วงเข้าพรรษานี้ท่านจะถือธุโลมเขาวัดอีกข้อหนึ่งคือข้อไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินธบาตแล้วคือไม่ต้องการที่จะมีอาหารมากเกินไปสันโดษ ย, ยินดีมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีต่อกับอาหารที่ได้จากบินบาตก็พอ แต่แม้มีญาติโยมจะนํามาถวายที่สาลาก็จะไม่รับเช่นวัดป่าบ้านตานี่ท่านยึถือในช่วงเข้าพรรษาในช่วงนี้ก็เลยทําให้ญาติโยมต้องไปรอกันที่หน้าวัดกันเพราะพอพระเข้าไปในเขตวัดแล้วท่านก็จะไม่รับอาหารจากญาติโยมญาติโยมก็เลยไปยืนรอกันที่หน้าประตูวัดกันจนกลายเป็นต้องมาจัดที่ ที่ตั้งอาหารให้ญาติโยมตั้งเพื่อใส่บาตรพระตอนที่กลับมาจากบินฑบาทก่อนจะเข้าไปในวัดเพราะถ้าเข้าไปในประตูวัดแล้วก็ญาติโยมก็จะไม่สามารถนําอาหารไปถวายที่สาลาได้ญาติโยมบางคนมาสายมาไม่ทันก็ต้องมารอกันที่หน้าวัดรอเวลาพระกลับจากบินทบาทก็ใส่บาตรท่านอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็จะรับช่วงก่อนเข้าวัดแต่พอเข้าวัดแล้วนี้ท่านก็จะไม่รับอาหารนี่เพราะว่าอาหารมันมากเกินไปมันก็เป็นภาระที่จะต้องรับแล้วต้องจัดแจกจ่ายาเสียเวลาของการปฏิบัติไปท่านก็เลยไม่อยากจะรับอาหารมากจนเกินไป ท่านก็เลยในเข้าในช่วงเข้าพรรษาท่านก็จะถือธุดงคขวัตข้อนี้คือจะไม่รับอาหารหลังจากกลับจากบินทบาทแต่นอกพรรษานี้ท่านก็รับญาติโยมมาสายก็ไปที่ศาลาไปถวายหารที่ศาลาได้แต่ในช่วงเข้าพรรษานี้ท่านจะงดรับอันนี้ก็ ที่มาของวัดบางแห่งที่บ้านตานี่จะเห็นมีการตั้ ง, ตงโต๊ะยาวเหยียดที่หน้าวัดเพื่อให้ญาติโยมที่ต้องการที่จะถวายอาหาร ใ, ใส่บาตร ท, ท่าได้แต่ไม่สามารถนําอาหารเข้าไปถวายในวัดได้ mm hmm. น, นี่ก็คือธุดงควัตที่เกี่ยวกับการขบฉันอาหารคือเบญทบาตเป็นวัด ฉันอาหารในบาทฉันมือเดียวแล้วก็ถ้าในช่วงเขา้าพรรษาสำหรับบางวัดก็จะไม่รับอาหารหลังจากกลับจากบินธบาตแล้วตุน ด, ดงเขาวัดนี้มีไว้เพื่อกำจัดหรื อ, รอกำาลาบความโลภต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารนีความโลภนี้เป็นกิเลส เป็นต้นเหตุของความทุกข์ผู้ปฏิบัตินีนจาเป็นที่จะต้องรู้จักกำจัดความโลภในเรื่องของอาหารให้ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชก็สามารถนำข้อตือลงขวัดเหล่านี้มาใช้ได้โดยปรับให้ให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเช่นญาติโยมอาจจะอยากจะมีความมากน้อยสันโดษในอาหาร คือไม่ชู้ที่จุกจิกไม่เลือกอาหารทําแบบพระก็ยินดีตามมีตามเกิดบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินตามที่ได้มาไม่ไปสั่งให้เขาทําอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เวลาไปร้านอาหารก็อาจจะบอกเด็กว่าให้จัดอาหารมาให้อะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสั่งเองหรือถ้าอยากจะสั่งเองก็สั่งอาหารที่ไม่ชอบก็ได้ อันนี้ก็เป็นการแก้งหรือเป็นการดัดสันดานกิเลสกิเลสมันชอบกินของชอบใช่กินชอบอาหารที่ถูกปากถูกใจแต่เราไม่ได้กินเพื่อกิเลสเรากินเพื่อร่างกายเมื่อเรากินเพื่อร่างกายร่างกายมันไม่สามันไม่สนใจเรากินอะไรก็ได้ขอให้มันให้ไม่ให้ทำให้ท้องเสียก็แล้วกัน ร่างกายมันต้องการนั้นอาหารที่ไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่ถูกลด ถ, ถูกป่าถูกใจแล้วถ้าเราอยากจะใช้ทุนดงเขาวันแบบยินดีตามมีตามเกิดแบบภาพบินนบายเวลาไปร้านอาหารก็บอกให้เด็กจัดอาหารอะไรมาก็ได้สองสามอย่างกินเพื่ออิ่มหรือถ้าอยากจะสั่งอาหารก็สั่งอาหารที่ไม่ชอบมาก็แล้วกัน อานไหนที่ชอบก็อย่าสั่งหากกินอาหารที่ไม่ชอบมันดีต่อไปจะได้กินได้ทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่รู้สึกมีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารถ้าเราเลือกที่รักมักชี้ชังในเรื่องของอาหารนี้เวลาเราไปที่ไหนเราต้องคิดก่อนแล้วว่าที่เราไปนี้มีอาหารที่เราชอบกินหรือเปล่าถ้าเป็นที่เจออาหารที่ไม่ชอบกินก็จะไม่อยากไป ซึ่งถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องไปปฏิบัติอยู่ตามวัด ต, ต่างๆเมื่ออยู่ตามวัดนี่เราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเลือกอาหารได้ถ้าเราอาศัยอาหารวัดรับประทานเพื่ออยู่ไปวันๆหนึ่งก็ต้องฝึกหัดกินอาหารที่เราไม่ชอบดูไปเลยอาจจะทาแบบกินมือ้อกินในอศนะกินในบาทเอาอาหารใส่ภาชนะ เช่นชามใหญ่ๆ ห, หรือกระมังสักใบหนึ่งเอาอาหารทุกอย่างที่เราจะกินที่ได้มานี่ใส่เข้าไปในภาชนะอันนี้ไม่ต้องไปแยกมันหรือถ้าจะให้เข้มข้นก็คลุกมันเลยคลุกมันให้มันเป็นเหมือนอาหารจานเดียวจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารในต่อไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มีอะไรก็กินได้ อันนี้ญาติโยมผู้ที่ยังไม่ได้บวชก็สามารถฝึกแนวทางอย่างนี้ไปก่อนได้เป็นการช่วยผลักดันให้การปฏิบัตินี้จเจริญก้าวหน้าไม่ให้ติดอยู่กับเรื่องของการกินธุดงขาว น, นี้มีไว้เพื่อช่วยให้เราตัดเรื่องของความผูกพันในเรื่องของการกินต่างๆเรามักจะ กินในของที่เราชอบอาหารที่ถูกปากถูกใจเรามันก็จะทำให้เราติดอาหารแล้วก็ทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้แต่ถ้าเราอากินอาหารแบบไหนก็ได้ตราบใดที่อาหารมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายกินแล้วทำให้ร่างกายมันหมดความหิวก็ก็ใช้ได้แล้วก็กินมื้อเดียวเหมือนกับพระนะ ถ้าเราอยากจะถือธุดงคาวัตถ้าเราคิดว่าความเพียรของเรามันยังไม่ไม่ก้าวหน้าไปยังไม่คืบหน้ามากมาตรการของธุดงคาวัตนี้จะช่วยผลักดันความเพียรของเราให้ก้าวหน้าให้มีเพิ่มมากขึ้นได้ฉันในฉฉั น, ชนาชนะเดียวฉันในบาทฉันมือเดียวนี่แล้วก็ยิน ชันแบบการอาหารก็ไม่เลือกอาหารแบบยินดีตามมีตามเกิดแบบที่พระไปบินธบาตมาได้อาหารอะไรก็กินตามที่ได้มาไปอันนี้ก็ผู้ที่ยังไม่ได้บวชก็สามารถฝึกไว้ก่อนก็ได้เผื่อเวลาในอนาคตถ้อยากจะเป็นนักบวชก็จะได้สามารถเป็นได้อย่างง่ายดายไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้นบางคนอยากจะบวชแต่ก็ อยากจะไปอยู่วัดป่าแต่ก็อยู่วัดป่าก็เลือกอาหารไม่ได้ต้องบินทบาทต้องฉันมื้อเดียวต้องฉันในบาทบางทีก็รู้สึกว่ายากแต่เราสามารถฝึกได้ฝึกแล้วมันจะทำให้ใจเราวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอาหารน้อยลงมันก็จะไม่บางเป็นนิวร์ไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทำจิตใจให้สงบได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุตดงควัตที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนอกจากนั้นมีทุโดงควัตที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของพระนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้อยู่ตามป่าตามเขาอันนี้ก็เป็นทุโดงควัตข้อหนึ่งอย่าไปอยู่ตามบ้านตามเมืองเพราะบรรยากาศตามป่าตามเขากับตามบ้านตามเมืองนี้มันต่างกันอยู่วัดป่าวัดเขากับอยู่วัดบ้านวัดเมืองนี้มันไม่เหมือนกัน ไวบ้านบ้านเหนือง น, นี่มันจะมีเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมายั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆส่วนถ้าไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี่จะเป็นที่สงบร่มเย็นห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเรื่องนี้นก็เป็นทุดงขวัดข้อหนึ่งอยู่ตามป่าทางเขาถ้าไม่อยู่วัดป่าวัดเขาก็อาจจะไปหาที่อยู่ ไปปีกเว่เวกอยู่ตามลำพังในป่าในเขาก็ได้แต่การจะไปไปปีกเว่เวกอยู่ตามป่าตามเขาได้นี้ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมอยู่กับครูบาอาจารย์มาอย่างน้อยต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาก่อนไม่ใช่พอบ่นปั๊บแล้วก็ขออนุญาตไปปีกเว่เวกไปทุดงอยู่ในป่าเลยนี่อันนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากว่าครูบาอาจารย์เห็นว่าเป็นบุคคลมีความสามารถพิเศษออ ก็าอาจจะอนุญาตเป็นรายรายไปแต่โดยหลักแล้วจะไม่ให้ไปอยู่ตามํำพังเพราะยังไม่เข้าใจในเรื่องกฎธรรมเนียมของธรรมวินัยของพระว่าพระจะต้องทำตัวอย่างไรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สวยงามไม่ให้สร้างความเสื่อมเสียเสียหายให้แก่ศาสนาแก่วงการของพระสงฆ์ได้ดะงนั้นพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลยกาหนดว่า อุปชาอาจารย์ที่บวชแล้วจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนผู้ที่ตนบวชให้ห้พรรษาด้วยกันไม่ปล่อยให้อยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย์ถ้าจะไม่อยู่กับอุปชาแล้วขอไปอยู่กับอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งก็ให้ท่านเป็นผู้พิจารณา ว, ว่าสมควรหรือไม่ถ้าท่านเห็นว่าสมควรท่านก็อาจจะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์รูปนั้นได้ แต่ต้องอยู่ให้มีครูบาอาจารย์สั่งสอนเรื่องกฎระเบียบเรื่องธรรมวินญยเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆก่อนให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาเขามีคำเรียกว่าขอนิสัยยังพระบวชใหม่นี้ถ้ายังไม่พ้นหภาพรรษานี้ถือว่ายังไม่พ้นนิสัยยังต้องอาศัยนิสัยของครูบาอาจารย์นิสัยของครูบาอาจารย์ก็นิสัยของการ รักษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี่ผู้ที่บวชใหม่นี้เป็นคาราวะาผู้คลองเรือนจะไม่เคยได้สัมผัสรับรู้กับข้อวัดปฏิบัติของของนักบวชของพระถ้าไปอยู่ตามนำพังก็อาจจะใช้นิสัยของคาราวะามาใช้กับการเป็นพระมันก็จะทำให้ดูขัดสายตาของผู้ที่มีจิตศรัทธารูปร่างก็เป็นพระกอนโหนหน่มพราเหลือง กิริยาการนี้ทําไมเหมือนกับคารวะอย่างนี้เป็นต้นในเบื้องต้นผ้าบวชใหม่จึงต้องอยู่กับศึกษากับครูบาอาจารย์ไปห้าพรรษาก่อนถ้าอยากจะไปปีกิเวก็ต้องขออนุญาตหลังจากห้าพรรษาไปแล้วเช่นการไปทุดงในป่านี้ถ้าไปเป็นครั้งแรกนี้ท่านมักจะให้มีพี่เลี้ยงพาไปให้มีครูบาอาจารย์มีผ้าที่บวชมาก่อนมีพรรษาแล้ว ท่านจะไปปีกวิเวกไปทุดงก็ขอติดตามท่านไปได้แต่จะไม่ให้ไปตามลําพังเพราะจะไม่รู้วิธีการเพราะการทุดงนี้ก็จําเป็นจะต้องรู้ที่ที่ต้องใบบินทบาตที่ที่สงบสนัดวิเวกอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรไม่ได้นึกอยากจะไปก็ไ ป, ไปแบบสุ่มสี่สุมห้าไปกันก็ต้องมีผู้ที่รู้จักมีประสบะการณ์พาไปน เวลาไปก็เดินกันไปเดินตามป่าไม่เดินตามท้องถนนเดินข้างถนนกันเดินข้างถนนแล้วบวกรถนี่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นการไปเดินทุดงในป่าเดินทุดงจริงๆต้องไปเดินทุดงในป่ากันเดินเข้าไปในป่าลึกแต่ก็ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่จะต้องไปบินตะบัดเพราะพระถึงแม้จะไปอยู่ทุดงในป่าก็ยังต้องบินตะบัด ยกเว้นว่าไม่ฉันอาหารท่านั้นก็ไม่ต้องบินถบาตได้แต่มันก็ถ้าไม่ฉันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วมักจะต้องไปอยู่ใกล้ที่จะสามารถเดินไปบินถบาตได้ส่วนใหญ่ที่พักกับหมู่บ้านนี้มักจะห่างไกลกันระยะประมาณสักสองกิโลขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่ให้ทางชาวบ้านมารบกวนได้นี่คือของการไปปีกเว่ ของการไปอยู่อยู่ป่าอยู่เขาถือธุดงควัดข้ออยู่ป่าอยู่เขาแต่การอยู่ที่ในวัดก็ถือว่าเป็นการอยู่ป่าอยู่เขาได้เหมือนกันถ้าเป็นวัดป่าวัดเขาวัาที่สงบสงดัดเหมือนกับการที่ได้อยู่ในป่าในเขาแต่ก็อาจจะไม่เหมือนกันตรงที่อาจจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืองานในวัดกันแล้วการที่ยังต้องมีการพบปะกับ ทั้งพระทั้งญาติโยมที่มาทำบุญแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในในบ้านในเมืองว่าในบริเวณวัดก็ยังจะสงบสงัดวิเวกพอสมควรนี่คือข้อตุดรงของการอยู่อยู่ป่าอยู่เขาแล้วอีกข้อนึงออยู่ตามโคนไม้หมายถึงว่าไม่อยู่ในกุฏิจะไปปรกกฏอยู่ตามโคนไม้กัน อันนี้หมายถึงผู้ที่ไปทุดงในในป่านี้ท่านก็จะถือทุดงข้อนี้อยู่ตามโคนไม้ท่านจะมีกรดแล้วก็มีม้งไว้เป็นเหมือนกับเป็นบ้านของท่านเป็นที่พักของท่านแขวนกรดออกแล้วก็เอาเอาม้งนี้ครอบกรดปล่ยลงมาเป็นที่ป้องกันไม่ให้ยุงสัตว์แมลงเข้ามาเวลานั่งสมาธิได้อันนี้ก็จะ เป็นการถือธุดงเขาวัดว่าอยู่อยู่อยู่ตามโคนไม้อีกข้อหนึ่งที่พระธุดงจะถือกันก็คือยินดีกับสถานที่ที่เขาจัดให้เช่นถ้าไปอยู่วัดทางวัดจะจัดกุฏิให้อยู่ตรงไหนก็ยินดีรับตามที่เขาจัดสรรจะไม่มีการขอเลือกขออยู่กุฏิหลังนั้นขออยู่กุฏิหลังนี้ ยินดีตามมีตามเกิดตามสภาพแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะพิจารณาท่านให้อยู่กุฏิไหนก็อยู่ไปขอให้มันหลบแดดหลบฝนได้แล้วให้มีที่เดินจงกรมนั่งสมาธิได้ก็พอสําหรับผู้ปฏิบัตินี่ดูแค่นี้เป็นหลักของการเลือกที่อยู่อาศัยขอให้มันหลบแดดหลบฝนได้มีที่เดินจงกรมมีที่นั่งสมาธิ ไม่มีอะไรมารบกวนไม่เป็นทางผ่านของคนในวัดเป็นที่สงบสงัดวิเวกพอสมควรอันนี้ก็เป็นข้อธุดองค์วัดอีกข้อหนึง่งที่เกี่ยวกับที่ว่าใสซึ่งนักปฏิบัติถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชก็สามารถนำเอาไปใช้ได้เวลาเราไปอยู่วัดเขาจัดที่อยู่ให้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่กันไป ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปจูจี้จุกจิกยินดีตามมีตามเกิดดูว่ามันเป็นที่เราปฏิบัติทำได้หรือเปล่าก็แล้วกันถ้าเรานั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้ก็อยู่ไปก่อนต่อไปก็อาจจะขยับขยายได้อาจจะคุยอาจจะถามได้ถ้าเห็นที่ที่เหมาะสมกว่าก็อาจจะขออนุญาตถามดูอย่าก็ไม่ขอเพียงแต่ถามดูถ้าท่านอนุญาตให้ไปอยู่ได้ก็ไป แต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ที่เดิมไปการอยู่นี่สิ่งที่สำคัญก็คือมีที่ปฏิบัติแล้วก็มีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนขอยให้แนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะพิจารณาว่าไปอยู่ที่ไหนนีสิ่งที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ผู้ที่จะอบรมสั่งสอนผู้ที่จะให้ความรู้รกับเรา ในเรื่องแนวทางของการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีคนสั่งสอนที่ถูกต้องนี้เราก็จะปฏิบัติไม่ถูกได้เพราะแนวทางของการปฏิบัตินี้เป็นของที่ต้องเรียนรู้กันไม่ใช่เกิดมาแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองได้ถ้ารู้ขึ้นมาเองได้ก็บนรู้ได้ตั้งแต่เกิดเลยถ้ายัางบรรู้ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่รู้แนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้อง การไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องเล็งไปที่ผู้สอนเป็นหลักการยานมิตรคือครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับเราที่เราสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้หรือไม่แล้วก็มีที่ล่มเย็นที่สงบสงัดวิเวกที่หลบแดดหลบฝนได้มีทางเดินจงกรมมีที่นั่งสมาธิได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณากันเวลาที่เราไปเลือกที่อยู่เพื่อปฏิบัติเพื่อศึกษาและปฏิบัติกันอันนี้ก็อยู่ในกรอบของทุตดงขวัดที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยส่วนเรื่องที่สส่วนที่สามก็คือเรื่องเครื่องนึ่งหม่มภาพทุตดงนี้ท่านก็จะถือถือภาพหนึ่งปเป็นข้อวัดปฏิบัติก็จะมีหนึ่งสรับพอ มีผ้าสบงหนึ่งผืนมีผ้าจีวรไว้หุ้มห่อไว้ห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าสังคติไว้สาหรับผมกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตรผ้าไตรจีวรไตรแปลว่าสามจีวรสามผืนเป็นสบงเป็นผ้านุ่งแล้วเป็นจีวรเป็นผ้าห่มแล้วก็เป็นผ้าสังคตินอกจากนั้นอาจจะมีผ้าบริวานอยู่อีก ชุดสองชุดก็คือเรียกว่าผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำฝนไว้ใส่เวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมสำคัญ mm hmm. ก็เวลาอยู่ในวัดนี้เวลาทำองทางานท่านก็จะใส่ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีผ้าอังสะหรือผ้าสบายัย mm hmm. ก็จะมีการประมาณคนละสองชุดไว้ชุดหนึ่งไว้ไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักกันสองชุด แล้วก็ผ้าไต่หนึ่งชุดสามผืนด้วยกันนี่คือการถือธุดงควัตแบบมักน้อยสันโดษเอาแค่เท่าที่จําเป็นก็พอไม่ต้องมีหลายสําหรับสมยัยนีญาติโยมมีศรัทธาถวายท่านเป็นเป็นหลายหลายหลายสำรับด้วยกันแต่ละคนมาก็ถวายผ้าไต่หนึ่งชุดมากันเป็นร้อยก็ร้อยชุดด้วยกันแต่ถ้าท่านถือทุดงท่านก็จะไม่เก็บเอาไว้ นันก็จะบริจาคไปส่งไปตามวัดที่ขาดแคลนใครขาดแคลนวัดไหนขาดแคลนไม่มีผ้าไตนั่นก็จะเสียสละไม่เก็บเอาไว้เพราะของท่านพอใช้แล้วมีแค่สามผืนนี่ก็พออยู่ได้พอกินได้พอใช้อยู่ปฏิบัติได้แล้วก็มีผ้าบริวารอยู่สองชุดก็คือผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าผ้าสบายที่เรียก่าผ้าสบงไอ้ผ้าอังสะ ใบเวลาอยู่ในวัดแล้วมีการทำงานทำการจะนุ่งห่มจีวรก็จะไม่สะดวกจีวร น, นี้เอาไว้สำหรับใช้กับภารกิจเช่นบินธบาตขบฉันหรือตอนรับญาติโยมแต่เวลาทาภารกิจอย่างอื่นก็มักจะไ ม, ไม่ไม่ใส่ผ้าผ้าไตาจะใช้แต่ผ้าสมงผ้าน้ำฝนกับผ้าอังสะมีเท่านี้ก็อยู่ได้แนละ้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ผ้ามีหนึ่งสำรับผ้าตายหนึ่งสำรับแล้วก็บางทีบางท่านก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลซึ่งในสมัยนี้คงจะหายากคำว่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาเอาไปใช้ห่อศพนั่นเองในสมัยพุทธกาลนี้จะเป็นธรรมเนียมเวลาคนตายนี่เขาจะไม่เผาไม่ฝัง เราจะเอาผ้านี้ห่อศพแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ที่ในป่าช้าให้เปื่อยให้เน่าไปพระที่ต้องการผ้าเอามาตัดเป็นจีวรก็จะไปเก็บผ้าเหล่านี้ผ้าที่ผ้าห่อศพเรียกว่าผ้าบางสกุลแต่สมัยนี้เราก็มีผ้าบางสกุลแต่เป็นผ้าบางสกุลแบบไม่ได้ห่อศพแต่เอาวางไว้ที่หน้าโรงเช่นเวลาคนตายนี่เราก็จะเอาผ้าตายไปวางไว้ที่หน้าโรง แล้วก็นิมนต์พระไปชักผ้าบางสกุลอันนี้ทำเรียนแบบของสมัยพุทธกาลแต่เป็นผ้าใหมเอี่ยมแต่แล้วก็ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วแต่สมัยพุทธกาลนี้ผ้าบางสกุลนี้ไปเก็บผ้าที่หอ่อศพแล้วก็เอามาตัดเอามาเย็บเอามาซักก็ามาย้อมอีกทีนพระสมัยก่อนนี้ต้องตัดเย็บจีวรเองแต่สมัยนี้มี พอค้าแม่ค้าหัวใสรู้ว่าญาติโยมอยากจะทำบุญก็เลยทำผ้าตายผ้าอะไรต่างๆมาขายกันญาติโยมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาถวายพระถ้าในยุค ป, ปัจจุบันก็เลยจะไม่รู้จักวิธีเย็บผ้าซักผ้าย้อมผ้ากันเพราะว่าเป็นของที่มีมาสำเร็จรูปแต่ตามวัดป่าวัดแขวนี่ท่านยังรักษาธรรเนียมนี้อยู่ จนใหญ่ท่านจะตัดผ้าเย็บผ้าของท่านเองนั้นจึงเป็นธรรมเนียมของญาติโยมที่ไปทำบุญกับพระป่าพระขาววัดขาวนี้จะเอาผ้าขาวไปเป็นพับพถวายเป็นพับพับไปแล้วพระท่านเมื่อถึงเวลาต้องการท่านก็จะตัดผ้าขาวนี้มาเป็นจีวรมาเป็นสบงมาเป็นสังคติแล้วก็ซักย้อมให้ได้เป็นสีกรรมฐานให้ได้เป็นสีกระเป็นต้น พระป่านี้จะรู้จักวิธีตัดผ้าเย็บผ้าของตนเองพระป่านี้ท่านกูบาจารย์สอนให้หัดทําอะไรทุกอย่างให้กับยศทำเองหมดต่างไหนที่ทําเองได้ให้ทําเองแม้แต่ไม้จิ้มฝันไม้ไว้ไม้ชําระฟันก็ให้ทํากันเองไปตัดไม้มาแล้วก็มามาทําเป็นไม้จิ้มฝันไ ม, ไม้ชําระฝันแล้วก็อันไหนที่ทําได้เช่นโกรดก็ให้ทํากันเอง แล้วเชิงบาทก็ให้ทํากันเองเอาเอาการทํางานหลังนี้มาเป็นการฝึกสติไปในตัวด้วยแล้วเพื่อไม่ต้องการจะไปพึ่งพาสาญาติโยมที่ไม่ที่ไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาสายไม่ไปรบกวนก็ให้หัดทำกันเองพอเขาวันนี้ทำด้วยไมหาไม้ไผ่มาทําได้อนี่คือวิถีชีวิตของของผ้าปา่า แต่สมัยนี้เรื่องของผ้าบางสกุลนี้ก็จะถือตามแบบสมัยพุทธกาลก็คงจะคงจะไม่มีแล้ว <Yeah. S 1> ก็นอกจากว่าญาติโยมเอาผ้าขาวนี้ไปวางไว้ที่กุฏิท่านหรือทางเดินที่ท่านจะเดินไปที่กุฏิแล้วก็ไปวางไว้ตามทางท่านเห็นถ้าท่านต้องการผ้าท่านก็ชักผ้าอย่างนี้ก็ยังจะถือว่าเป็นผ้าบางสกุลได้อยู่ แต่โดยหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะถวายเป็นผ้าผ้าไปในช่วงที่มีงานถวายผ้ากระถินหรือถวายผ้าป่าก็จะสำหรับวัดป่านี้จะไม่นิยมผ้าสาเร็จรูปผ้าไต่ที่ตัดเย็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนิยมผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเป็นผ้าขาวแล้วก็นำออกไปตัดเย็บกันเองเพราะแต่ละขนาดของแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันถ้าบางทีผ้าที่ญาติโยมซื้อมาถวาย ก็อาจจะไม่ได้ขนาดของของผู้ใช้ก็ได้แต่ทางผู้ใช้ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าสั้นเกินไปยาวเกินไปเอาให้อะไรมาก็ต้องรับไปยินดีตามมีตามเกิดไปใช้ไม่ได้ก็ทาบุญไปแต่โดยหลักแล้วท่านก็จะไม่ใช้ผ้ามากอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องพลุงพลังเป็นเรื่องภาละเพราะผ้าป่าบางทีท่านก็ชอบไปทุดง ถ้ามีผ้าหลายสำรับก็เอาไปไม่ได้เอาไปก็เอาไปเท่าที่เอาไปได้อัาบริขารเอาติดตัวไปเอาบาทเอาผ้าไตายไปที่กรองน้ำไปใบมีดโกนไปเข็มก็ได้ไปอันนี้ต้องติดตัวไปทุกแห่งทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถทําใช้ประโยชน์ได้แต่จะไม่มีอะไรมากเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันเป็นเพือเป็นเพื่อเครื่องอยู่ของร่างกายเท่านั้นเองแต่ถ้ามันมีมากมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นความทุกข์สำหรับทางจิตใจได้เพราะจะอาจจะมีความยึดติดมีความรักมีความหวงมีความห่วงใยขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงต้องให้ถือธุดองคาวัตรเหล่านี้เอ็นถือผ้าไต่หนึ่งสำหรับ หรือใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดคือผ้าที่เขาทิ้งในป่าญาติโยมเอาผ้าไปทิ้งในป่าตามทางเดินของพระถ้าพระท่านถือผ้าครอบางสกุลท่านเห็นผ้าที่ถูกทิ้งไว้ท่านก็จะหยิบเก็บมาแล้วก็เอาไปตัดเอาไปเย็บเป็นจีวรได้แต่สมัยนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีใครทำแนละ้วได้ยินมาสมัยหลวงปู่มั่นนี่ท่านหลวงปู่มัน่นท่านยังใช้ผ้าบางสกุลได้อยู่นะ แต่คนต้องรู้ต้องเอาผ้าไปวางไว้ในป่าที่ ท, ท่านเดินผ่านพอท่านเห็นผ้าท่านต้องการผ้าท่านก็จะชักผ้าบางสกุลไปอันนี้ก็คือเรื่องของทุตดวงควัทอีกข้อหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันก็นกคือในสัตชิกข้อในสัตชิกนี่คือการเร่งความเพียรโดยที่เราจะใช้การปฏิบัติสามมิรยาบทของร่างกาย จะไม่นอนจะไม่อยู่ในท่านอนท่าพักจะใช้สามท่าคือยืนเดินกับนั่งเพื่อที่จะได้ไม่หลับมากเกินไปถ้าหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งไปถ้านั่งหลับเดียวเดียวมันก็ตื่นขึ้นมาพอคอพับแล้วมันก็จะเมื่อยคอนานๆมันก็จะตื่นพอตื่นขึ้ น, นมาก็จะได้เล่นความเพียรต่อในสาธิกนี้ก็ไม่ได้ทำทุกวันทไม่ได้ทำตลอดเวลา ก็เลือกตามโอกาสช่วงไหนคิดว่าอยากจะเสริมความเพียรอยากจะเร่งความเพียรก็ถือในสัจชิกกันบางคนบางท่านก็อาจจะถือวันเอาวันพระเป็นวันที่ปฏิบัติในสัจชิกกันก็มีแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ปฏิบัติเองข้อที่ดงขวัดหลังนี้เป็นข้อที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติเป็นเป็นข้อแนะนําเป็นข้อที่จะ ช่วยช่วยเร่งความเพียรให้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้บรรลุผลมากเร็วขึ้นนั่นเองท่านที่ใจร้อนอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เร็วๆก็อาจจะใช้ขอ้อทุดงขวัดเหล่านี้ด้วยการไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ไปฝึกผนอบรมที่วัดตามวัดป่าวัดเขา ถึงแม้ไม่ได้เป็นนักบวชท่านกา็อนุญาตให้เราอยู่ได้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของของุกงควัดต่างๆก็ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันเราก็ไปดูว่าพระท่านถือยังไงเราก็ถือตามท่านท่านกินมื้อเดียวเราก็กินมื้อเดียวท่านฉันในบาตรเราก็ฉันในในชามใบเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็จะได้ฝึกผลอบรมไปก่อนแล้วเราก็จะได้ภาวนา ได้มีเวลาภาวนาอุปสรตต์ขการภาวนาก็จะไม่มากอันนี้คือกิจวัตรของพระป่าที่เกี่ยวกับข้อธุดงควัตรมีกิจวัตรหนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คือการใช้อารมณ์40ชนิดด้ยวยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40เป็นเครื่องเจริญสติเป็นเครื่องเจริญสมาธิและเครื่องเจริญปัญญาอันนี้ ท่านก็จะใช้การปฏิบัติกรรมฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากที่เสร็จภารกิจทางด้านร่างกายแล้วท่านก็จะไปเจริญสติด้วยกรรมฐานต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้พุทธานุสติก็คือการนำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเพื่อเพื่อหยุดความคิดต่างๆบางท่านก็อาจจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องเจริญสติเฝ้าดูกิจิริยาบทของร่างกาย อันนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติบางท่านก็จะพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอสุภะพิจารณาดูขามไม่สวยไม่งามของร่างกายดูอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อให้คลายความกำหนัดยินดีในความสวยความงามของร่างกายเพื่อจะละเพื่อระงับความความอยากจะจะเสกกามนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางของการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อ ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจให้หมดสิ้นไป น, นี่คือสิ่งที่พระทุดงกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกันคือพระป่าพระเขาท่านจะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องบุญบางสังสวนเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆวัดป่าส่วนใหญ่นี้จะไม่นิยมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กัน พอมีบวชมีเจดีย์มันก็จะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆตามมาถ้ามีเพียงศาลาไว้สำหรับใช้ทำกิจกรรมที่จำเป็นขอบฉันฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่ได้เน้นทางด้านถาวรวัตถุแต่เน้นเรื่องของการปฏิบัติทดลงกรรมฐานซึ่งต่างจากทางวัดบ้านวัดบ ว, วัดบ้านวัดเมืองที่จะเน้นของเรื่องของถาวรวัตถุกัน จะมีการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างพระพุทธรูปสร้างพญานาคสร้างอะไรร้อยแปพันประการแต่ถาวราวัตถุนี้ไม่สามารถทาให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทุดงกรรมฐานจึงมีความแตกต่างกันระหว่างพระสองแบบนี้พระป่าพระเขานี้ท่านมี เป้าหมายอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนพระบ้านพระเมือง น, นี้ท่านมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างวัดให้สวยงามสร้างถานวรวัตถุต่างๆให้ศรัทธาญาติโยมได้มากราบไหว้บูชากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระในประเทศไทยที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปูระปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปก an ัรปติอิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนะระโสยาถามณิโชติ ระโสยทาสพิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตโตอันตราวโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาฒนสีลิตสานิจังวุทฒาปจายโนจตารูธมรมวาทานเตอายุวันโสุขาง ช่วงตอ่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะให้ถามช่วงเดียวนี้หลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกงั้นถ้าอยากจะถามอะไรอยากจะพูดอะไรขอเชิญเข้ามาตอนนี้แล้วก็ถ้ามาทีหลังไ ม, ไม่ตอบนะจะบอกให้ก่อนเดี๋ยว ก็เพราะว่าไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ถ้าเข้าทาง Facebook ได้ทาง YouTube ได้ก็ส่งคำถามเข้ามาทางช่องทางนั้นก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ทั้งหมด ค่าจากทาง Facebook นะคะ480คน YouTube พระสุชาติไลฟ์273คน y o u t บ b e Dr.V c h a n ว e l เ87คนผู้รับฟังหน้ากูด194คนวิทยุออนไลน์11คน c l ับ h ฮ u s e 18ท่านรวม 1,063 ท่านค่ะท่านในคำถามก็เชิญถามได้ คำถามจากผู้รับฟังหน้าขุดนะคะอยากกราบนมาสการถามเรื่องการแยกจิตกับกายเป็นอย่างไรบรรลุธรรมระดับใดจึงจะแยกได้ค่ะคือการแยกกายกับจิตออกจากกันนี่แยกได้สองระดับด้วยกันระดับสมาธิกับระดับปัญญาเบื้องต้นต้องแยกระดับสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปแยกระดับทางปัญญาต่อไป คือเวลานั่งสมาธิจิตสงบจิต ก, กับร่างกายก็จะแยกออกจากกันแต่แยกได้ชั่วคราวพอจากสมาธิกลับเข้ามาก็รวมเป็นตัวเดียวกันเวลาออกจากสมาธิถ้าอยากจะแยกก็ต้องใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนแฝดสยามเป็นอินกับจันทร์ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ไม่ได้เป็นคนเดียวกันแยกออกจากกันเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นด้วยร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อันนี้คือแยกด้วยปัญญาขั้นที่สองแต่ตอนต้นต้องแยกด้วยสมาธิให้ได้ก่อน ต้องนั่งจิตให้สงบจิตเข้าฌานแล้วจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วพอเรารู้แล้วว่าอ๋อจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันพอเราออจากร่างกะออกจากสมาธิมาเราก็คอยบอกใจว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันนะร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปด้วยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย เชิญเยีายมเพื่อใกล้ๆนะครับการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเมื่อปฏิบัติแล้วมองเห็นร่างกายหายไปเป็นส่วนๆจนกระทั่งหายไปทั้งหมดให้พิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะยังเวลาทำสมาธินี้ไม่ให้พิจารณา แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเวลามันหายไปให้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆและอย่างเช่นตอนที่เราตื่นขึ้ น, นมาจากอตอนช่วงเช้าว่าเจ้าค่ ะ, ะยังไม่ได้พิจารณาอะไรไ<ม>แต่ม อ, มองเห็นอมองเห็นร่างกายมันหายไปทั้งหมดอย่างนี้ยเจ้าค่ะก็รู้ว่าร่างกายกับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวกันแล้วกันเจ้าค่ะร่างกายเป็นอะไรมันจะหายก็ให้มันหายไปดีไม่มีร่างกายดีกว่ามะ มีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงมันนะต้องคอยกินคอยอาบน้ําให้มันคอยทําอะไรให้มันเหมือนกับมีหมาเนี่ยคนมีหมาคนไม่มีหมาใครสบายกว่ากนะันคนมีหมาก็ต้องคอยเลี้ยงมันคอยอาบน้ําให้มันคอยพามันไปหาหมอคอยให้มันขับถ่ายอะไรทั้งอย่างพอไม่มีแล้วมันสบายอยู่คนเดียวสบายใช้เวลาไม่มีร่างกายมือแขงจะสบายงั้นอย่าไปกังวลอย่าไปเสียดายร่างกายนะ ร่างกายมันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นกองสุขไม่มีมันเราสบายกว่าแต่เราอยู่ผ่าจากร่างกายไม่ได้เพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เป็นวิธีมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้ต่อไปเราก็เลอกใช้ร่างกายได้ พอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะอยู่จะตายก็เรื่องของมันเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปการเป็ถามพระอาจารย์ครับตอนอยู<ะ>่ที่ทํางานใน ส, ส่วนหนึ่งของีอองการทํางานครับจะต้องไปกินหรูหรูงานเลี้ยงหรูหรูอยู่ที่หรูหรูครับจะทํายังไงให้ละหรือว่าพี่นยแย่แย่พวกนี้ออกให้ได้ครับว่า มันไม่ควรจะยึดติดหรือว่าหลงไปคือถ้ามันไม่ได้ไปด้วยความอยากของเราก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นหน้าที่เป็นเป็นเรื่องของคนอื่นเขาดึงไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนคิดเองอยากเองก็ไม่เป็นปัญหาเลยเราก็ทําไปตามหน้าที่ตามตามตามเหตุการณ์อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่อย่าไปยินดีนะอย่าไปยินดีก็ ทำไปก็ไปถึงก็ต้องคือไปแบบไปเล่นละครก็แล้วกันเขาให้ไปก็ไปเป็นบทละครที่เราต้องเล่นดาลาเวลาเขาเล่นกินบทกินก็กินไปอย่างนั้นน่เราก็กินไปอย่างนั้นใจของเราก็เฉยเฉยไม่ได้ยินดีร่ากับการกินอาหารหรูหรือหรราอะไรไปถ้าเป็นเวลาเราอยู่ส่วนตัวของเราเราก็อยู่ตามสมถะเรียองง่ายของเราไป แต่เวลาเราไปทํางานไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับเราไปเล่นละครง่ายๆก็ต้องเล่นตามบทไปน่ะไม่มีปัญหาเลยอยากคิดเองอยากอยากเล่นเองก็แล้วกันอย่าอยากเล่นรู้หรืหลายอย่าอยากกินรู้หหลายอยากจะไปเที่ยวอย่างไรนี้ถ้าไม่อยากไม่เป็นไรถ้าทําตามหน้าที่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะ ขณะที่โยมดั้งสมาธิบางครั้งโยมจะชอบเปิดธรรมะฟังไปด้วย สองวันก่อนขณะที่เปิดฟังการสอนนั่งสมาธิของท่านหลวงพ่อชาโยมก็ปฏิบัติตามไปจู่ๆก็รู้สึกตัวเซวุปไปเยววินาทีเหมือนจะสับะงกแต่โยมไม่ได้รู้สึกง่วงกลับรู้สึกโปร่งโล่งสบายแล้วก็รู้สึกเสียงเทศของหลวงพ่อดังชัดขึ้นเหมือนราวกับท่านมาเทศใกล้ๆอยากทราบว่าอาการวูบแบบนี้คืออะไรเจ้าคะทําไมรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยคะ่ะก็เวลาจิตสงบมันก็วูบได้ งแบบท้าวูาแบบมีสติก็เป็นสมาธิท้าวุาแบบไม่มีสติก็หลับแล้วแต่ว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ถ้าเรารู้สึกตัวก็แสดงว่าเป็นสมาธิ <c oughs> แต่สมาธิมันก็มีอยู่หลายระดับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นระดับต้นๆ <c oughs> ยังไม่ถึงระดับที่ลึกเข้าไปถ้าลึกเข้าไปนี่เสียงเสียงหายหมดร่างกายหายหมด คำถามจากหน้ากุติค่ะมีครั้งหนึ่งเข้าโรงพยาบาลที่ประเทศฝรั่งเศสอาการคือติดเชื้อแบคทีเรียนในกระแสเลือดระหว่างช่วงสามวันแรกผ่านไปได้พ้นขีดอันตรายขณะนั้นข้าพเจ้ามีสติรู้ทุกอย่างก็นอนสมาธิและแผ่บุญให้กับวิญญาณที่อยู่ที่โรงพยาบาลและวิญญาณที่ ทั่วไปแล้วสภาวะรมไม่เหมือนเดิมเหมือนอยู่ในห้องอากาศสีแดงและมีฟองอากาศมีวิญญาณผู้ชายตัวใหญ่เดินผ่านร่างกายเราไปและเห็นคู่ตายายมายิ้มให้ไม่ทราบว่าสภาวะอย่างนี้คืออะไรก็มันเป็นไตรลักษณ์นะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางจิตใจก็รู้ว่ามันเป็นเหมือนฟ้ารับฝนตกดาดออกไปพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้ มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือพิจจรณาว่าเรามาทำให้เกิดประโยชน์เราได้ไหรือไม่ถ้ามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ก็ปล่อยวางไปคำถามจากผู้ฝากถามค่ะจากผู้ฟังประจาเป็นคนเชียงรายนะคะมีสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งไปรักษาเกี่ยวกับโรคตาอาจารย์หมอบอกว่าสิบคนจะหายเจดคน อีกสองคนอาการดีขึ้นอีกหนึ่งคนไม่หายท่านตอบคล้ายๆ3มคน ผ, ผิดพลาดท่านบอกว่าโรคจะหายเองภายใน6เดือนถึงสองปีแต่บางท่านอาจไม่หายก็ได้แค่ดีขึ้นเท่านั้นผมเป็นหนึ่งในสามคนที่โชคร้ายมีปัญหาเรียนถามพระอาจารย์ว่าแบบนี้ถือเป็นโรคกำรรไหมครับเพราะเป็นโรคที่มองไม่เห็นอ่ามันเป็นโรคอั อ, อนา้าตานี่ือเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไปสั่งมันไม่ได้ ผลจะตกแดดจะออกนี่เราสั่งไม่ได้ใช่ไนหะบางทีตกที่นี่ไม่ตกที่นู่นบางทีตกที่นู่นไม่ตกที่นี่ก็แบบเดียวกับเรื่องนี้เรื่องของตาคนนี้บางคนก็หายบางคนก็ไม่หายเราไปสั่งมันไม่ได้เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเท่านั้นเองมันหายก็หายมันไม่หายก็ไม่หายเดี๋ยวในที่สุดมันก็หายไปทั้งตัวนะให้คิดอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจ เวลาตายไปนี่หายไปหมดตาหูจมูกเส้นกายหายหมดคำถามข้อที่สองถ้าสมมุติเป็นโรคกรรมผมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญเมตตาไปให้เจ้ากรำในเวรหรือให้พระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีให้ท่านช่วยแผ่เมตตาให้เจ้ากรำในเวรขอให้ท่านอาโหสิกรรมเพื่อให้หายจากโรคตาแบบไหนจะได้ผลมากกว่ากันครับไม่ได้เลยท้กอย่างอย่าไปทํากรรมนั้นนะ่ะถึงจะได้ได ท ำ, ทำไปแล้วก็เตรียมรับกรรมใะ่ไถ้าไม่อยากจะรับผลของกรรมเพื่อต่อไปนี้ก็อย่าไปทํากรรมกรรมใหม่เพิ่มกรรมเก่าเดี๋ยวมันหมดมันแสดงผลแล้วมันก็หมดไปทำแต่กรรมดีพระเจ้าบอกละการกระทาบาปทำแต่กรรมดีเทรานั้นที่เป็นสิ่งที่เราทําได้แต่กรรมบาปที่เราทําแล้วนี่เราไปล้างมันไม่ได้ไปให้เขาให้อภัยเราไม่ได้กฎแห่งกรรมนี่ไม่มีการลดโทษนะไม่มีการลดโทษหรือพยาโทษ ไม่เหมือนกฎทางโลกนี่บางทีเป็นกฎที่ลดให้จาพุกตลอดชีวิตสิบปีก็ออกมาแล้วก็มีากา่กฎแห่งกรรมไม่มีการลดโทษนีงั้นถ้าไม่อยากจะรับผลของกรรมก็อยากไปทำบาปทำกรรมทำแต่บุญก็จะได้รับผลแต่ของบุญอย่างเดียวข้อที่สามค่ะผมไปในป่าเจอวัดแห่งหนึ่งมีพระอวุโศหนึ่งรูปท่านอยู่รูปเดียวในวัดอายุเจ็ดสิบสองปี มีหมู่บ้านไม่ถึงสิบหลังคาเรือนส่วนมากเป็นคนแก่ฐานะยากจนมากท่านก็ไม่บินทบัตเพราะสงสารชาวบ้านท่านจะทําอาหารฉันเองโดยจ้างคนขับรถพาท่านไปไปตลาดซื้ออาหารเก็บไว้ทําฉันเองหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งไปตลาดสามครั้งตลาดห่างจังหวัดประมาณยีสี่กิโลเมตรเงินที่ไปซื้ออาหารก็เก็บสะสมจากคนในเมืองหรือคนต่างจังหวัดที่ไปถวายให้ท่านเรียนถามว่าท่านทําอาหารฉันเองผิดไหมเพราะไม่ได้บินทบัตเนื่องจากอายุ มากและสงสารชาวบ้านก็มันก็โดยหลักแล้พระพุทธเจ้าก็สอนให้บิณฑบาตเป็นหลักจนกว่าจะบิณฑบาตไม่ได้ส่วนเรื่องว่าชาวบ้านเขาจะใส่หรือไม่ใส่นั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาใส่เขาก็ได้บุญถึงแม้เขาจะยากจนเขาใส่ข้าวเพียงทัพทีเดียวเขาก็ดีกว่าไม่ได้ใส่ เห็นหน้าที่ของพระนี่การบิณฑบาตนี้ไม่ได้ไปการไปบรบกวนญาติอยู่ไปการโปรดสัตว์เป็นการไปเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทําบุญเห้นถ้ า, าพระยังไปได้อยู่ก็วควรอย่าไปอย่าไปอ้างว่าชาวบ้านยากจนเราไม่อยากจะไปเบียดเบียนชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักความ ค, คิดที่ถูกความคิดที่ถูกก็คือเราไปโปรดสัตว์ส่วนเขาจะใส่ไม่ใสน่นี้แล้วแต่กําลังของเขาใส่มากใส่น้อยอันนี้เป็นเรื่องของเขา เขาไม่ใส่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาใส่ก็ใส่น้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่างน้อยเขาจะได้มีโอกาสได้ทําบุญทาทานอันนี้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงเั้นถ้ายังบินธบาตได้ควรจะบินธบาตหลวงปู่ ม, ม่านนี่ในปลายชีวิตของท่านนี่อายุท่านเกือบ80ดสิบท่านยังไปบินธบาตตอนทอนท่านไปไปไปถึงบ้านไม่ได้ก็ไปครึ่งทางชาวบ้านก็ออกมาใส่ครึ่งทาง ต่อไปก็ไปครึ่งทางไม่ไหวก็ไปแค่หน้าประตูวัดเขาก็มาใส่ที่หน้าประตูวัต่ตอไปท่านก็บริญบาตรบุญสาลาเพราะท่านถือเรื่องของการบริญบาตรนี้เป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งแม้แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงปฏิบัติทุกวันหนึ่งในพุทธกิจ5ก็คือการบริญบาตรโปรดสัตว์ดังนั้นเรื่องการบริญบาตรนี้ยังถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับพระภิกษุกับญาติโยม เป็นการโปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญทาทานและเป็นการเป็นการกํหลาบกิเลสความเกลียดครานความอยากจะทำอาหารกินเองทำอาหารกินเองก็จะเลือกทำได้วันนี้เอาสุ ก, กี้ดีไหมพรุ่งนี้เอาต้มยำดีไหมมันก็เลือกได้ใช่หไหมถ้าทำเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้บิณฑบาตเป็นหลัก นอกจากว่ามันมีความจําเป็นจริงๆสุดวิสัยจริงๆบินไม่ได้อันนั้นก็ก็ต้องปล่อยไปให้เป็นไปตามตามความเป็นจริงทั้งเองคําถามจากคุณนาลิณีรักลูกมากเป็นห่วงยายสารพัดจนเหมือนจะกังวลไปหมดในฐานะพ่อแม่จะวางใจอย่างไรให้พอดีในความรักที่มีต่อลูกคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีเรื่องที่อยู่ในวิสัยของเราที่เราทําได้ กับเรื่องที่มันอยู่สุดวิสัยที่เราทำอะไรไม่ได้แล้เราก็ทำในเรื่องที่เราทำได้เช่นเลี้ยงเขาให้อาหารเขาให้ที่อยู่อาศัยเวลาไม่สบายาก็พาไปรักษาอย่างนี้เราทำได้ก็ทำไปแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่เราทาเราห้ามเขาห้ามไม่ได้ก็ต้องตรงต้องยอมรับว่าไม่ช้าก็าเร็วเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เขาจะต้องตายไปวันใดวันหนึง่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหัดทำใจกันเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมิเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเราไปห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ก็ให้เราทำในสิ่งที่เราทำให้กับเขาได้เลี้ยงดูเขาได้ก็เลี้ยงไปสนับสนุนอะไรได้ก็สนับสนุนไปส่งเขาไปเรียนหนังสือได้ก็ส่งไป แต่ถ้าเกิดเขาไปเจอของไม่ดีเกิดเข้าไปเจออุบัติเหตุอันนี้เราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้แม้นขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาดัง mm hmm. นั้นเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็ทําไปสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็ทําใจไปว่าไม่ช้าก็เร็วคนเราทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคน คำถามจากดรวีชา n e l ค่ะเพิ่งเริ่มมีอาการพานิกแอทแท็เนื่องด้วยไม่รู้ทันความคิดความเครียดใจลึกๆก ล, กลัวการนั่งสมาธิอยู่ต่างประเทศไม่มีวัดและอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์กายใจจะสั่นภายในดูอย่างไรให้ภาวนาตรงทางรู้ทันความกลัวคะก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดบทสั้นๆก็ได้ พุทธังสอนังกชามิธรรมังสอนังกชามิสังฆังสอนังกชามิสวดไปหลายๆรอบสวดไปจนกว่าอาการจะเบาลงหรือหยุดไปหายไปสวดสั้นก็ได้สวดยาวก็ได้ถ้าเราจําบทไหนหน้าก็สวดไปอิติปิโสไปก็ได้ตามกี่จบก็สวดไปการสวดนี้เป็นการระงับความเครียดความอะไรต่างๆได้แต่ต้องสวดไปจนกว่ามันจะหยุด ไม่ใช่สวดแค่สองสามรอบแล้วก็หยุดน้อจะหวังให้มันหยุดเองมันไม่หยุดเราต้องสวดไปจน ก, กว่ามันจะหยุดต่อถึงจะหยุดสวดได้ คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณจรัญญาตอนนี้โยมเตือนสติตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่เรามีหน้าที่อะไรสิ่งที่ทํานั้นมีประโยชน์ไหมเพราะเวลาหมดไปเรื่อยๆถึงเวลาตายก็ไม่ต้องกลัวมากเพราะได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์แล้วทําถูกต้องแล้วก็สบายใจจึงมีสติกระตุ้นตัวเองสม่ําเสมอไม่ปล่อยเวลาล่วงเลยไปโดยปราบประโยชน์โยมปฏิบัติแบบนี้ต่อเลยได้ไหมคะได้เน้นความสงบของใจเป็นหลัก ทำอะไรก็ทําให้อายใจสงบไม่ให้ใจเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบ ก, กับจิตใจคําถามจากคุณออนลูกควร น, นําพ่อแม่เข้าหาธรรมะท่านก็อายุมากแล้วอยากให้ท่านสะสมบุญไว้มากๆแต่ท่านไม่เอาด้วยคุยกันบางทีก็ขุ่นใจพระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าท่านไม่ถามก็ไม่ต้องไปสอนเราจะทําอย่างไรดีคะก็ทําใจนีเมื่อ เ, เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําใจ ให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางเป็นกรรมของสัตว์ไปใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำถามจักคุณทิฏฐิยาสอบถามว่ามีสัญญาณเสียงรอบหัวอยู่ทั้งที่อยู่ในที่เงียบมากก็บอกพร้อมจะตายนะถึงเวลาหรือถึงเวลายังก็หายไปอีกขอโทษค่ะสอบถามว่ามีสัญญาณเสียงรอบหัวอยู่ในที่เงียบมากก็บอกพร้อมจะตายนะ ถึงเวลายังก็เสียงก็หายไปสรุปว่าจะส่งสัญญาณอะไรส่วนตัวสงสัยว่าเป็นบททดสอบหรือจะบอกอะไรเพราะปกติฝันก็จาไม่ได้เหมือนนอนไม่รู้ว่าฝันอะไรทุกวันนี้ตื่นม า, มานั่งสมาธิรู้ตัวนั่งสมาธินอนสมาธิสลับทั้งคืนระยะเวลาการนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่และ ว, วันก็ถือว่านอนอิ่มค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูอยู่สภาวะไหนแล้วหลับก็ไม่รู้ตื่นก็เฉยๆเป็นสภาวะอะไรมีความรู้สึกไม่ต่างต้นไม้ต้นหนึ่งต่างกันแค่ร่างกายเคลื่อนไหวได้ต่างกับต้นไม้คือสภาวะจิตใจต้นไม้ไม่มีจิตใจแล้วหนูต้องปฏิบัติต่อไปด้านไหนคะก็ปฏิบัติให้มันสงบให้ได้ถ้าสงบแล้วมันจะเกิดความสุขขึ้นมาตอนนี้ยังครึ่งๆกลางๆจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะสุขก็ไม่สุขมันก็เลยอยู่กลา ง, ลางอยู่ ต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาคำถามจาก youtube ค่ะ <c oughs> คุณพงพันธ์การพิจารณาขันห้าควรพิจารณาอย่างไรควรยกสิ่งใดขึ้นมา <c oughs> เพื่อการพิจารณาขันห้าในแต่ละข้อนั้นๆครับออขันห้ามันมีสองส่วนส่วนนั่งกายกับส่วนจิตใจ รูปประคันก็คือร่างกายของเราอาการ32เกิดแก่เจ็บตายส่วนนามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นอาการความรู้สึกนึกคิดของใจดังน้วเราแยกสองอันออกจากกันอันแรกเราพิจารณาร่างกายก่อนว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องตายส่วนอาการเจ็บนี่ก็เป็นเรื่องของของใจร่างกายเจ็บแต่ใจเป็นผู้รับรู้ ก็ให้รู้ว่าความเจ็บเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะมาก็ต้องยอมรับมันเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็หัดทาใจปล่อยวางร่างกายก็ต้องแตกต้องแก่ต้องตายเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้มันแก่ให้มันตายไปนี่คือการปฏิบัติกับขันห้าให้ปฏิบัติตรงนี้ตรงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย คำถามจากคุณเซนฝึกสมาธิทำให้สุขภาพกายใจของโยมดีขึ้นอยากชวนให้คนใกล้ชิดได้ฝึกดูแต่พอชวนก็จะกลายเป็นคนประหลาดถ้าโยมใช้วิธีไม่บอกใครปล่อยให้ทุกคนเป็นไปตามวาระของเขาเองถือว่าเป็นคนไม่แบ่งปันหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าสิ่งที่เราจะแบ่งให้เขาเขาไม่เอ า, อาทาไงเขาไม่เอาก็ไม่ต้องให้ให้เงินเข้า้านหนึ่งก็บอกไม่เอาะเราก็ไม่ต้องให้เขา ไม่ต้อไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเขาไม่ยอมรับเงินล้านเราใช่ไหมสมาธินี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินล้านใช้ได้ซ้ําไปแต่ถ้าเขาไม่เอาล้าเราทํำยังไงลนะ่ะไม่เอาก็ไม่เอาเลยว่าทํานั้นเราก็แบ่งให้แล้วเขาไม่รับคําถามจะคุณ a d a อารักขะกรรมฐานต้องใช้ทั้งสี่ข้อไหนคะหรือใช้ตามวาระโอกาสที่เหมาะสมใช่แล้วแต่อารักขากรรมฐานก็เป็นเหมือนยารักษาใจใจ ก็มีโรคที่จะต้องใช้ยารักษาถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแต่ถือศีลแปดไปเสพกางไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้ก็ต้องใช้อสุภพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะดับการอารมณ์ได้ถ้าเกิดเวลาโกรธขึ้นมาก็ใช้ความเมตตาแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยไม่จองเวรกันไม่จองกรรมกัน ใครทำร้ายทำร้ายทำร้ายเราทําให้เราเสียใจไม่สบายใจแล้วก็ให้อภัยเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเรายังลังเลยสงสัยในคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็พยายามศึกษาเพิ่มมากขึ้นศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของอริยสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมเดีย๋ยวก็จะหายสงสัยได้แล้วถ้าเราหลงหลง โลบอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากรวยอยากอะไรก็ให้คิดถึงความตายบ้างว่าในที่สุดโดยขนาดไหนก็ต้องตายไปคำถามจากคุณยุทธภ พ, พถ้าเราหลงรักภรรยาเขาสามีเขาแล้วเราสำนึกตัวควรจเจริญกรรมฐานอะไรเพื่อจะแก้ไม่ให้หลงต่อไปครับก็สุภาพนี้แหละดูส่วนภายใต้ผิวหนังบ้างเราเห็นคนแต่เพียงผิวหนังเห็นอาการ เห็นผมขนและฟันหนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกไม่เห็นเราต้องพิจารณาอาการที่อยู่ใต้หนังเข้าไปใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีลำไส้อะไรต่างๆพยายามนึกภาพของอาการเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ถ้ายังนึกไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือดูก่อนก็ได้เป็นภาพถ่ายก็มีเป็นภาพวาดก็มีมาดูว่าภายในร่างกายของคนเรานีมีอะไรบ้าง ถ้าเห็นสภาพของภายในแล้วความรู้สึกว่าสวยงามหรือหล่อเหลาก็จะหายไปความอยากมีการมามุกกับเขาก็หมดไปจากคุณทิพย์ค่ะขอเทคนิควิธีการเดินจงกลมว่าเดินอย่างไรคะก็เดินด้วยสติเนี่เดินอย่าเดิ น, ด น, ดนแบบช้อปปิง้งเดินแบบใจลอยเห็นนั้นก็สวยนี่ก็สวยเห็นแล้วก็อยากได้ให้เดินดูเท้าเราก็ได้หรือว่าเรากำลังก้าวเท้าอะไรอยู่ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา ก็ให้จดจออยู่กับการก้าวเท้าไปหรือจะใช้การเดินแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้เป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อนำงับความคิดปุงแต่งการเดินจงกรมเพื่อให้เราหยุดคิดกันหยุดทุ่งสร้างงินให้อยู่กับพุทโธไปไม่อยู่กับการก้าวเท้าของร่างกายไปคำถามจากคุณชินจิตสุค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตจะชอบร้องเพลงบ่อยๆทั้งที่บริกรรมพุทโธอยู่ควรพิจารณาอย่างไรดีครับ ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ให้ยุดเองคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะเคยได้ยินมาว่าพ่อแม่ไม่สมควรด่าหรือสาปแช่งลูกเพราะจะทำให้ติดขัดไม่เจริญหากเราในฐานะลูกเราควรทำอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพื่อพบความเจริญในชีวิตและไม่เป็นการอากรตันยูคือการสาปแช่งนี้ ไม่ว่าใครจะสาบแช่งก็ตามมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็ดีมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเพียงคําพูดเท่านั้นเองฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจใครจะสาบแช่งใครยังไงก็เรื่องของเขาไปหน้าที่ของเราก็คือเราต้องไม่ไปสะทกสะท้านกับคําสาบแช่งหรือกับคําสรรเสริญของคนอื่นเขาเขาสรรเสริญว่าเราเก่งเรารวยมันก็ถ้าเราไม่เก่งไม่รวยมันก็เป็นแค่คําพูดเท่านั้น เพราะว่าเราเร็วเหมือนหมาถ้าเราไม่ได้เป็นที่เขาพูดเราก็ไม่ได้เป็นงั้นเราอย่าไปสนใจกับเรื่องคําสรรเสริญนินทาแต่มันเป็นเรื่องปกติของโลกเราอยู่ในโลกนี้หนีไม่คน้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีคนสรรเสริญมีคนนินทาแต่ใจของท่านไม่ได้ไปเดือดร้อนกับการสรรเสริญหรือนินทาไหว้ก็ทําไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยหลักแล้วท่านก็นสอนให้เราทุกคนอยา่าไปว่าคนอื่นอย่าไปกล่าวร้ายคนอื่น พราการกล่าวร้ายมันก็ไปทําสร้างความเสียใจให้กับผู้เป็นการกระทาบาป ท, ทางทางวาจาั้อย่าไปกล่าวร้ายใครอย่าไปว่าใครนอกจากถ้ามีหน้าที่ว่ากล่าวถักเตือนให้ก็ยิ่งทำไปตามหน้าที่ได้แต่ถ้าไม่ใช่มีหน้าที่เราไม่ควรไปด่าไปสาบแชงใครมันสาบแชงมันก็ทําให้เขาเป็นไปตามที่เราสราบแชงไม่ได้อยู่ดีข้อที่สองก่อนขึ้นวิปัสสนาเราควรมีฌานสี่สมบูรณ์ก่อนหรือไม่ ควรจะมีก่อนข้อที่สมในฐานะคารวาสถ้าเราพิจารณาละตันหาสามในแต่ละวันอยู่สม่ำเสมอบแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะก็ละไปเพียงแต่ว่าจะละแบบเด็ดข า, าดหรือว่าละแบบชั่วครั้งช่วคราวต้องละแบบมันไม่ให้มันกลับคืนมาอีกเลยถ้าเลิกเที่ยวก็ไม่เที่ยวอีกต่อไปตลอดชีวิตถ้าไม่เลิ ก, กินของที่เราโปรดก็ไม่กินไปตลอดชีวิตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเลิกแบบ อตัดขาดได้แต่ถ้าเลือกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกินอีนกลับไปดืด่มอีกมันก็ยังถือว่าเลิกแบบชั่วคราวอยู่ยังยังยังยังใช้ไม่ได้ต้องตัดขาดแบบถาวรเลยข้อที่สี่ในฐานะพระถ้าเราต้องบวชและจําวัดในวัดที่ผิดทำวินยัยเราควรรักษาตัวและแก้ไขอย่างไรคะก็เรารักษาขเราไปคนหนึ่งก็ผิดก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราคนหนึ่งก็ผิดไม่ได้ทําให้เราผิด แต่ทางที่ดีคนจะไปอยู่วัดที่มีคนไม่ทําผิดจะดีกว่าหรือทําผิดน้อยเพราะว่ า, เ, าเขาก็มีอิที่คนต่อเราเราเห็น เ, นะเขาทาผิดเราก็ค่าเขาทําผิดได้กูก็ทําผิดได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เลือกคบคนอย่าไปคบคนพาลคนผิดให้คบคนถูกคบบัณฑิตข้อที่ห้ากรณีสัตว์เลี้ยงจะเสียชีวิตเราควรส่งเขาก่อนสิ้นใจอย่างไรคะ ก็ เ, เลี้ยงดูเข้าไปจังหวะเขาจะสิ้นใจนะ้วเขาเลี้ยงดูเขายังไงก็ เ, เลี้ยงดูอย่างนั้นไปต่อไปคําถามจากนา้นากุติค่ะการที่ตั้งจิตทําบุญอุทิศบุญกุศลให้บุคคลที่เราไม่รู้จักเช่นทําบุญอุทิศให้20ชีวิตที่ตายจากเหตุการณ์ไฟไหมเขาจะได้รับบุญไหมคะเพราะเวลากรวดน้ําไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแค่ตั้งจิตระลึกถึงค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไปรอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องเขาเสีมากกว่า คนนี้ไม่รู้จักเขาก็าไม่ไปเพราะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าใช่ไหมงั้นเราอุทิศได้แต่ก็อุทิศแบบว่าแล้วแต่ดวงวิญญาณของใครก็ได้ได้เกิดมามารอรับก็ให้เขารับไปก็แล้วกันส่วนเขาจะรับได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาอีกทีเหมือนให้เงินขอทานจะบอกว่าจะให้เงินขอทานคนนู้นอยู่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาจะมาที่บ้านเราหรือเปล่ามันก็ให้ขอทานที่มาผ่านหน้าบ้านเราไปก็แล้วกัน ใครที่มาอยู่ใกล้อยากจะรักก็รักไ ป, ไปเหมือนกันเราก็ได้บุญเหมือนกันเขาก็ได้บุญเหมือนกันอีกข้อมันได้แล้วยังค่ะคุณจักคุณวรพรค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ป่วยมากต้องนอนโรงพยาบาลแล้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจคุณหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วจะให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจใหมถ้าเราบอกให้คุณหมอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจพ่อแม่เราจะเป็นบาปอนันตริยกรรมไหมเจ้าคะ ก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่คนป่วยเ็าอยากจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนแต่ถ้าเขาไม่รู้จริงๆไม่มีสติก็การการถอนก็ไม่เป็นการกระทาบาปเพราะเป็นการหยุดการรักษาเพื่อเพื่อลดความทุกข์ทรมานให้แก่คนไข้ถ้าถ้าปล่อยไว้ยังไงคนไข้ก็ยังไม่ตายก็นอนกระเดากระเดาอย่างนั้ก็ไม่ฟื้นอยู่ดีมีแต่ต้องทุกไปยาวนาน ถ้างั้นถ้าเราหยุดการรักษาก็ไม่เสียหายยังไงไม่เป็นการกระทำบาปหมดแล้วเหระอ่าไม่ใช่ค่ะจากคุณมักมคัต ส, สรีค่ะระหว่างการเดินจงกรมกับการทํางานอย่างมีสติอย่างไหนให้ผลดีกว่ากันเพราะหากเราทํางานเราจะได้แต่งานแต่เดินจงกรมเราไม่ได้งานค่ะอราเดินจงกรมดีกว่าเพราะเราไม่ต้องการงานเราต้องการหยุดทํางานทางด้านจิตใจก็หยุดคิดนั่นเอง ถ้ารจิตไม่หยุดคิดเวลานั่งสมาธิจะสงบไม่ได้การเดินจงกรมนี้เราต้องการผลงานทางจิตใจคือความสงบจิตใจสงบต้องหยุดคิดแต่เวลาทํางานนี่ถึงแม้มีสติก็ต้องคิดอยู่กับงานที่เราทําอยู่ฉะนั้นก็จะไม่เกิดความสงบทางด้านจิตใจฉะนั้นเดินจงกรมต้องดีกว่ากับการทํางานด้วยการมีสติคำถามจากคุณดวงใจอยากถามว่านั่งสมาธิทําอย่างไรให้สงบคะ ต้องใช้สติคอยควบคุม ค, ความคิดนี่อย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ mm hmm. ช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้าเดินจงกรมก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปคำถามจากคุณเบญจวรรณหลังๆมาโยไม่มีข้อสงสัยในธรรมะจิตมันเงียบลงเรื่อยๆมีสิ่งที่คอยบอกใจให้ ให้เข้าใจสิ่งมากระทบแล้วเฉยสงบลงไม่ค่อยวุ่นวายคบค้ากับผู้คนโยงเข้าถึงปัญญาในสัจธรรมต่อไปไหมคะก็เริ่มมีความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับก็ปฏิบัติไปถ้าสงสัยอะไรค่อยมาฟังเทศค่อยมาค้นคว้าหาคาตอบหรือถ้าหาคำตอบได้โดยที่ไม่ต้องไปค้นคว้าจากผู้อื่นก็บางทีเราก็หาคำตอบเองได้ถ้าเรามีปัญญา คำถามจากคุณอุมาศีปฏิบัติมาประมาณหนึ่งนานๆจะทุกข์แต่ล่าสุดมีบททดสอบรู้สึกว่ายังทุกข์อยู่คะ่ะปฏิบัติอย่างไรต่อดีคะก็ะดับความทุกข์นั้นสิพิจารณาอริยสัจ ส, สีทุกเกิดจากสมุทยัยคือความอยากละความอยากได้ด้วยมรรคคือปัญญาก็จะทำให้ความทุกข์หายไปได้ คำถามจากคุณสุรัตนาการปฏิบัติธรรมทำให้ไม่อยากพูดคุยกับใครแต่ก็รู้สึกมีความสุขดีเช่นนี้จะนั่งสมาธิเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะก็ลองทำดูเลยคำถามจากคุณธัญรัตน์อยากทราบว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้นควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็จะรันสติเป็นหลักแล้วก็ถือศีลอปดถือศีลปแล้วก็พยายามฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ มีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธไปแ้วดูลมหายใจไปคำถามต่อไปจิตกับวิญ ญ, ญาณต่างกันอย่างไรคะตัวเดียวกันเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเวลาแยกออกจากร่างกายเวลาร่างกายตายไปก็เรียกว่าวิญ ญ, ญาณ คำถามจากคุณแทนใจการที่เราโดนคนมีครอบครัวมาหลอกโดยที่เราไม่รู้แล้วเราถลำลึกไปคบกับเขาผ่านไปไม่นานแล้วเราจับได้เขามาบอกเลิกเราเราเป็นบาปไหมคะแล้วการที่เขาตั้งใจมาหลอกเราแล้วเรากลับเป็นทุกข์ถือเป็นบาปร่วมไหมคะถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราโ ง, ง่ถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราฉลาดรูุ้ธันเก่า คำถามต่อไปค่ะเวลาเราใส่บาตรคนลงมือทำอาหารด้วยตนเองแต่ไม่ได้ใส่กับคนใส่บาตรแต่ไม่ได้ทำใครได้บุญม า, ากกว่ากันคะอยู่ที่มันก็มันมีสองส่วนไงเวลาทำบุญเนี่ยคือเสียเงินเท่าไหร่ซื้อของมาแล้วก็อยู่ที่ใช้แรงงานเท่าไหร่ในการทำมันมีสองส่วนถ้าเรื่องเสียเงินถ้าเสียเงินเท่ากันก็ได้บุญเท่ากัน แต่ถ้าใช้แรงงานมากน้อยต่างกันคนใช้แรงงานมากกว่าก็ได้บุญมากกว่าคำถามจากคุณกาญจนาระหว่างการเดินจงกรมและฟังธรรมไปด้วยกับเดินจงกรมกําหนดพุโทโธอย่างไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันคะก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราต้องการอะไรถ้าเดินไปแล้วฟังธรรมก็ได้ปัญญาได้ความรู้แต่ถ้าเดินไปแล้วใช้การดูเท้าหรือพุโทโธก็จะได้ความสงบได้สมาธิ ถ้าเราปลูกพืชสวนครัวแล้วมีหอยทากมากินเราคีบหอยทากไปทิ้งขยะเราจะบาปไหมคะถ้ามันไม่ตายก็ไม่บาปนะถ้านำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันผิดศีลหรือเปล่าคะไม่ผิดนะคำถามต่อไปตอนเช้าสวดมนต์ทุกเช้าคะ่ะหลังบ้านมีต้นไม้ มีต้นมะม่วงติดห้องพระมีต่อหัวเสือมีพึ่งชอบมาทำรังเคยให้เขาเอาต่อออกแล้วรอบหนึ่งเพราะกลัวอันตรายผ่านไปสองเดือนก็กลับมาทำใหม่ครั้งนี้ทำอยู่บนยอดค่ะเราเอาออกเราบาปไหมคะก็เหมือนกับเวลาใคร้ามาม า, มาย้ายบ้านเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆทางด่นวนเราจะทาขอเว้นคืนที่ตรงนี้ถ้าเราชดเชยเขาให้ค่าชดเชยที่สม สมละทานล้วก็อาจจะไม่ไม่เดือดร้อนก็แล้วแต่เรามีการชดเชยหาบ้านใหม่เขาได้หรือเปล่าถ้าเราตัดกิ่งแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่อีกที่หนึ่งได้หรือเปล่าจัดคุณตุ๊กตอนคนกําลังจะตายต่อหน้าเราควรบอกอะไรกับเขาคะไม่ควรจะบอกอะไรถ้าเขาไม่ถามคุณถามถ้าก็ถามคุณทำไงดีวะก็หายใจไปใช่ไหมอย่าหยุดหายใจบอกนะ